50 languages. ยี่สการนัดหมายมูลาคัตคุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าคะ क्या तुम्हारी बस छूट गई है? डिशन लो कुन क्रेंग छोउमोंग लैय का. मैंने आधा घंटा तुम्हारा इंतजार किया। कुन मी मुर्थी तित्तू मेचाई रुका? क्या तुम्हारे पास सेलफोन ् नहीं है? कांग ना खो ऐ ट्रोंग वेलाना का अगली दफा वक्त पर आना कांग ना नांग टैक्सी ना का अगली दफा टैक्सी लेना ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะคะอั l ลีทัฟะฉัตรีสัตว์ลน่าพรุ่งนี้ดิฉันหยุดค่ะคืนเมาริคุงพรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมคะแก่คืนมันมิเลงเงขอโทษค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะมูฟักกันนะคืนมุมกินง่ใ่ สุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทาหรือยังคะ Is पर तुम कुछ कर रहे हो क्या? หรือว่าคุณมีนัดแล้วคะ या क्या तुम किसे मिल रहे हो? दी शंत स्नेह है रे जेर कन वन सुद मेरा मशवरा है हम वीकेंड में मिलें. เราไปปิกนิกกันดีไหมคะ เราไปชายหาดกันดีไหมคะเราชายหาดดไเราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมคะเราย่เขากันดีไหมคะดิฉันจะไปรับคุณที่ทำงานแม่จะไปรับคุณที่บ้าน म ม่ त ุมให้ं घर से ले ซूंลลุงก न ฉันจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสารแม่ทุมให้บัสสต็อปซีลลุ